6.6 การเรียนธรรมะคือการลงทุนให้กับชีวิตของเราเองวงเล็บเปิดยีมกราคม2550ัในวงเล็บหนึ่งจุดจุดนาทีหนึ่งวงเล็บปิดธรรมะเวลาชีวิตมีความสุขความสบายนะยังไม่เห็นคุณค่าหรอกเวลาเจอวิกฤตในชีวิตนะจะรู้ว่ามีประโยชน์มากแค่ไหนมันคือการลงทุนให้กับชีวิตของเราเองหลายคนประมาทไม่ลงทุนไม่ศึกษาบางคนพอเจ็บหนักแล้วมาถามหลวงพ่อว่าจะภาวนาอย่างไร ไม่ทันแล้วถ้าเราได้ศึกษาอยู่แล้วชำนิชำนาญ น, นะเวลาเจอสิ่งที่รุนแรงในชีวิตเรามันตั้งหลักได้ง่ายความทุกข์มันสั้นหรือไม่ถึงขนาดสติแตกอะไรเกิดขึ้นในชีวิตมันก็พอสู้ไหวแล้วพอปัญหามันผ่านไปนะมันจะรู้สึกว่าเราแกร่งขึ้นกว่าเก่าท่านั้นปัญหาชีวิตที่ผ่านมาเป็นเครื่องทดสอบใจเราแล้วก็เป็นบทเรียนให้แข็งแกร่งมันจะแร่งขึ้นเรื่อยๆเหมือนเหล็กดีนะถูกเผาถูกทุบมันถึงจะแร่ง ถูกประครบประงมไม่ได้เรื่องหรอก